ว่างจากความหน่อยเหงาคนหนึ่งคนมีใจหนึ่งดวงมีกายหนึ่งเดียวมีความเปล่าเปลี่ยวเที่ยวไปลาพังคนหนึ่งคนท่ามกลางผู้คนยังมีหนึ่งใจยังมีหนึ่งกายเปล่าเปลี่ยน้อยลงเที่ยวไปเป็นหมู่ ได้ถมช่องว่างได้สารสายใยได้ใจผูกพันคนหนึ่งคนกับความเป็นจริงต้องทิ้งผู้คนอยู่ตามลำพังมีใจหนึ่งดวงมีกายหนึ่งเดียวเกิดหนึ่งตายหนึ่งที่พึ่งคือกรรม ทำดีอบอุ่นเป็นทุนหนุนใจทำชั่วให้ร้ายวุ่นวายว้าเวจะว่างจากเหงาอย่าเฝ้าคอยหามาอย่านอกใจไม่มีมาจริงอยู่กับทุกสิ่งที่จริงตรงหน้าเหมือนว่าเป็นเพื่อน คอยเตือนให้ว่างห่างความเหงาใจแม้เท้าก็รู้ว่ากระทบกระทั่งลมก็รู้ว่าเข้าออกใดๆล้วนแวะผ่านมาเยี่ยมเยือนแล้วหายหนนอย่างเรียบง่ายผาสุขได้เพียงเพราะเห็นสติไม่เป็นขาตั้งให้กับความเหงา